เรื่องพยากร อ, อายุเรื่องการสืบต่ออายุจากห0สิบปีมาเป็นแปสิบปีท่านได้เล่าไว้หลายสถานที่หลายโอกาสหลายวาระปีนั้นท่านจำพรรษาที่อำเภอรพร้าจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ราบไม่ใช่ภูเขากับพระมหาทองสุขทุกครั้งที่เห็นหน้าพระมหาทองสุขไปน้ำมาสการ ท่านจะพูดทันทีว่านั่นเพื่อนตายเรามาแล้วนานๆพบกันก็ยังพูดอย่างนี้เหมือนเดิมผู้เราคิดว่าเป็นคําพังเพยพูดหยอกกันแล้วความจริงก็ปรากฏเห็นสานุสิทธ์เป็นร้อยแต่ไปตายกับพระมหาทองสุขจริงๆอะไรเป็นสักขีพยานก็พระอุโบสถอนุสาวรีท่านพระอาจารย์มั่นนั่นไงนั่นละ่ะ ปีมือของพระมหาทองสุขหลังจากถวายเพลิงท่านพระอาจารย์มั่นแล้วจุดที่เป็นที่ตั้งเมรุนั้นได้สร้างอุบโบสถขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493ถึงพุทธศักราช2500ในสมัยพระมหาทองสุขสุจิตโตเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสปีนั้น พอเริ่มเข้าพรรษาท่านมีอาการเจ็บป่วยพระผู้พยาบาลก็พระมหาทองสุกนั่นหละท่านมีความรู้ทางยาด้วยท่านพระอาจารย์กำหนดรู้แล้วว่าท่านถึงอายุไขจะสิ้นชี่ปีนี้แน่แต่มีข้อแม้ว่าถ้าท่านมีอิธิบาทอันจเจริญดีแล้วสามารถอยู่ต่อไปได้อีก2ี่สิบปีเป็น8ปสิปีเข้าพระพุทธเจ้า ท่านจึงมาพิจารณาดูว่าอยู่กับตายยังไหนมีค่ามากรู้ว่าอยู่มีค่ามากประสานุสิทธ์ทั้งขรืหัดและบรรพชิตหวังเฉพาะให้ท่านอยู่แต่คำว่าอิทธิบาทอันเจริญดีแล้วเจริญขึ้นขั้นไหนอย่างไรทมทั้งหลายที่ปรากฏแล้วทั้งโลกิยธรรมและโลกุตระธรรม นำมาพิจารณาไม่ขัดข้องไม่สงสัยแต่ก็ยังไม่ได้ความอาการป่วยจะดีขึ้นก็ไม่ใช่จะหนักก็ไม่เชิงแต่เที่ยวบินทบทได้ทุกวันอาการที่สำคัญคือคอมองซ้ายขวายากเดือนที่สองผ่านไปอาการดีขึ้นและได้ความรู้เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังว่า นานยตระโภชาตปัสสานะนานยัตตระปฏินิสัคขานายตระอินทริยสังวราได้ความว่าอิทิบาสีอนอบรมดีแล้วก็คือการพิจารณาโภชงเจ็นนี่เองท่านอธิบายว่าภาวิตาพาหุลีกตาจเจริญให้มากทำให้มากก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้พร้อมความดับสนิทหมายถึงอวัยวะที่ชำรุดในร่างกายแล้วเปลี่ยนอะไยใหม่ด้วยชานแล้วท่านยังอุ ป, ปมาเปรียบเทียบว่าเมื่อพระมหาโมคลาและพระมหากสปะได้ฟังพระดำรัสนี้ก็หายจากอาพาธแม้ในการบางคราวพระพุทธองค์ก็ยังให้ท่านพระจุนทาเทระสวดถวาย คำว่าผู้มีอิทธิบาสีอันจเจริญดีแล้วขอเล่าเท่าที่จำได้ท่านว่าเราพิจารณาอุปภพภาคปฏิปทาตั้งแต่จิตเรารวมเป็นสมาธิโดยลำดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วเข้าอารูปฌานต่อเป็นอากาศสาจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ หน่อยหนึ่งก็ไม่มีแล้วถอยจิตออกมาอยู่ในสัญญาเวทายตานิโรธอุปมาเหมือนหนทางสามแง่ท่านว่าจิตเรามาอยู่ในถ้ำกลางทางสามแร่แง่แงหนึ่งไปเอารูปประพรมมโลกแง่หนึ่งไปรูปประพรมมโลกคือจตุทัตชาญอีกแร่หนึ่ง เข้าสู่พระนิพพานจิตยอยู่ขั้นนี้และเราจะอธิษฐานได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ถอยออกจากทางสามแพร่งนั้นมาพักที่จตุทัชาญคือชานที่สี่จะพักงานเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอมีกำลังแล้วจิตจะถอยออกสู่ตติยะทุติยะพอมาถึงปฐมชาญ ก็อธิษฐานรู้ว่าเราจะอยู่ไปถึงเท่านั้นปีเท่านี้ปีกว่าจะมาถึงขั้นนี้ก็เป็นเวลาเดือนสุดท้ายแห่งการจำพรรษาแล้วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ผู้ที่มีอิธิบาตอันจเจริญดีแล้วสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นกับหรือเกินกว่าเป็นความจริง ท่านว่าเท้าสักกะแก่กลายเป็นเท้าสักกะหนุ่มก็ด้วยอิธิบาทนี้แต่เท้าสักกะหรือพระอินยังมีกิเลสไม่ได้ชาด้วยตัวเองแต่ด้วยพระพุทธานุภาพทรงนำกระแสพระทัยของเท้าสักกะให้ผ่านขั้นตอนจนเป็นอิธิบาตอันเจริญดีแล้วที่ทำอินทสาระเท้าสักกะแก่จึงเป็นเท้าสักกะหนุ่มได้ ด้วยพระพุทธานุภาพดังนี้